ความเจริญในธรรมจงมีแนดะ่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่ร่มปพระพุทธยานกำลังนำเสนอการพิจารณาถึงธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงสรัสรู้ว่าเป็นธรรมะที่เป็นคุณอันลึกเห็นได้ยากรู้ตามระยากเป็นธรรมสงบประนีตไม่ย่งลงสู่ความตรึก คือไม่สามารถจะคาดการณ์คำนวณนึกเดาเอาได้ละเอียดแล้วก็เป็นวิสัยของบัณฑิตเท่านั้นที่จะรู้แจ้งได้แต่เมื่อมาเทียบดูกับหมู่สัตว์คือสัตว์ตโลกนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือมนุษย์่คือปัญหาที่น่าคิดว่าทำไมพระพุทธเจ้าจึงไม่ อุบัติในสวงสวรรค์หรือในพรหมโลกมาอุบัติในโลกมนุษย์ทำไมเพราะว่าในสวงสวรรค์ในพรหมโลกเนี่ยมันเห็นใจรักได้ยากสัตว์มันติดสุขก็ติดความเพลิดเพลินนะฮะติดความสุขความปีติแล้วก็ติดอยู่กับความเพลิดเพลินในการมาคุณที่ประนี พูดยากนะที่จะเห็นโทษเห็นทุกเนี่จะเห็นได้ยากเพราะมนุษย์ที่มันเหมาะสมคือเป็นภูมิที่เหมาะสามารถพัฒนาขึ้นไปเป็นเทวดาเป็นพรหมเป็นพระรยะบุคคลชั้นต่างๆจนถึงเป็นพระราหันได้ในขณะเดียวกันถ้าไม่มีการพัฒนาก็ตกต่ําจนสู่โนโรกเวทีได้เช่นเดียวกันเพราะอะไรเพราะโดยพื้นฐานของเขาเนี่ย ทรงช้คำว่าส่วนหมูสัตว์นี้เริงรมด้วยอะไรคำว่าอะไรในที่นี้ก็คือการมคุณและการสิ่งที่เป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นเย็นร้อนอ่อนแข็งเป็นการเนียวนึกตรึนึกด้วยความกหนัดความเพลิดเพลินชื่นชมยินดีนะฮะแต่เราเห็นว่าในความเป็นกามเนี่ยมีทั้งคุณทั้งโทษ ตามปกติสัตว์โลกที่ขาดปัญญาเป็นเครื่องมือในการพิจารณานั้นจะมองเห็นคุณเนี่ยมากกว่าโทษแต่ถ้าเรามองดูให้ดีเนี่ยเราจะเห็นว่าโทษมากกว่าคุณคือไม่จะถึงกับปฏิเสธคุณนะฮะแต่ว่าก็ถือว่าคุณนั้นมีแต่ก็มีน้อยแต่โทษมันมาก ส่งแสดงว่าอปัซ า, าดาตุฆากามาอิติวิญญาจะบัณฑิตโตบัณฑิตรู้ว่ากรารมนี้มีโทษมากก็มีคุณน้อยเพื่อให้ความสุขความสบายยกตัวอย่างในกระบวนการรับประทานอาหารเนี่ยเราต้องการรถอาหารอาาร่อยๆมันผ่านกระบวนการเยอะนะฮะแต่ตอนอร่อยนิดเดียดนั้นเด้งตอนกลืนผ่านลําคอลงไปนิดเดียว จากนั้นก็จะมีปัญหาตามมาอีกเยอะเลยทางในช่วงที่กำลังรับประทานหลังรับประทานไปแล้วต้องแก้ปัญหากลิ่นสิ่งสกรปรกปฏิกูลในต่างที่แปดเปื้อนอยู่ล้างถ้วยโถโอชามโ้ยเป็นมหากรรมเลยแล้วก็เมื่ออาหารมันย่อยเราต้องมีการขับถ่ายอะไรๆออกมาอีกออกมาในส่วนต่างๆร่างกายต้องชำระขัดสีชวีวันซึมเนื่องมาจากตรงนั้นทั้งนั้นแต่ว่าคนไม่ในมองในแนวที่เป็นโทษ เพราะอะไรเพราะว่าใจจะกำหนัดเพลิดเพลินชื่นชมยินดีในสิ่งเหล่านี้แล้วพยายามปกปิดกลบเกลื่อนด้วยวิธีการต่างๆก็ทำให้เห็นได้ยากอะตัวโลกนั้นมีมายามีการปรุงแต่งจนพระพุทธเจ้ารับสั่งให้ชาวพุทธเรามามองดูโลกในแง่ของความจริง แล้วก็มีคนอยู่สองกลุ่มนะกลุ่มหนึ่งรู้โลกตามความเป็นจริงกลุ่มหนึ่งไม่เข้าใจโลกก็กลายเป็นการหลงโลกไปพระสังวัสดเจ้าทั้งหลายจงมาดูโลกนี้อันตระการดูราชรสี่พวกคนเาขาคล่องอยู่แต่พวกผู้รู้ไม่คล่องอยู่นั้นคือเป็นความจริงฮะโลกใบเดียวกันในโลกเนี้ยมีพระอระหรันในโลกเนี้ยมีคนผ่านสุดๆเลย จนตายไปตกนะรกเวจีจีแล้วก็มีคนระดับที่ลดหลั่นกันขึ้นไปจุดต่างก็คือภูมิธรรมสติปัญญาของคนเหล่านั้นที่มีความยิ่งยอนแตกต่างกันเพราะการที่เริงรมด้วยอะไรคือกรรมกุณเนี่ยแต่เราดูว่ายุคตรงนั้นเป็นยุคที่คล้ายๆกับถึงที่สุดทั้งสองอย่างนะหมายความว่าจิตนิยมสุดขั้ววัตถุนิยมสุดขั้ว มันมาเจอกันในยุคพระพุทธเจ้าพอดีแล้วพระเจ้าเองก็มีประสบการณ์ทั้งสองขั้วนะมีประสบการณ์ในเพลิดเพลินด้วยการมกคุณปรนเปลือบำรุงบำเรอย่างมหาศาลนะฮะจนเรียกว่าสำลักทีเดียวเขาพูดอาจจะตัวเลขอาจจะมากไปหน่อยนะก็คงไม่ถึงกับมากขนาดนั้นแต่ก็เรียกว่ามากแหละ พูดถึงสาวสารกำนานในถึงหกหมืนเนี่ยมันจะเห็นองค์พระพุทธชินพระโพธิสัตว์ได้อย่างไรมากขนาดนั้นแต่ตัวเลขของลังกานะฮะตัวเลขของแขกเป็นส่วนมากมันฉักะมากมากไปแต่ก็ไม่ติดใจว่าบนปลือกันมากแน่นอนนะเพียงแต่เราลองดูว่าพระไทยท่านไม่คล้องในกามคุณท่านไม่เริงรมอยู่ด้วยกามคุณเหล่านั้น เพราะถ้าหากว่าท่านเด้งรมท่านเลื่อนไหลไปตามแรงยั่วยวนของกามกคุณทั้งหลายเนี่ยก็นึกดูแต่งานประชนพรรษาสิบหกก็มีประโอรสเมื่อพรรษายี่สิบเก้าแล้วก็มีองค์เดียวถ้าหากว่าคนเพลิดเพลินในกรรมคุณแล้วก็มีสาวสารกับานางนาหาสารอย่างนั้นเนี่ยพระโอรสมันน่าจะเป็นร้อยเลยแต่ไม่มีฮะ นั่นคือแสดงถึงพระไทยที่ผ่านการฝึกปลืออบรมพัฒนามามีปัญญาในการครองตน ไ, ได้เป็นอย่างดีท่ามกลางแสงสีท่วิจิตพิสดารฮะแต่ว่าอยู่อย่างผู้รู้แต่ว่าอยู่ท่ามกลางกรรมคุณเพียงแต่ว่ามีสติสัมปมชัญญะเนี่ยเข้ากํากับในการดำารงชีวิตทศโลกทั่วไปยินดีในอาลัย แล้วก็ชื่นชมในอะไรทั้งยินดีในอะไรชื่นชมในอะไรอะไรในอาไรยะเนี่ยคือหมายความว่าสิ่งเนี้ยมันทําให้เหนียวนึกจึกนึกแต่ลองสังเกตนะฮะว่าจิตมันจะกระสันอยากในอารมณ์เหล่านั้นอยู่ก็เพลิดเพลินใจแต่ก็มีความไม่ตกกงังวลกลัวจะเป็นภยัยเป็นอันตรายกลัวความเดือดร้อนพอจากไปก็โหยหาอะไรคิดถึง กลัวจะเป็นภัยเป็นอันตรายอย่างในปัจจุบันเนี่ยถ้าคนลองคิดดูนะฮะลองลองลองจดไว้ทุกครั้งที่โทรศัพท์ติดต่อถามลูกถามเมียถามาผู้ตายบังคับบัญชาผู้บังคับบัญชาอะไรต่ไรเนี่ยเป็นห่วงเป็นใหญ่นะถามก็ด้วยความหมุงใหญ่เนี่ยวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยค่าจะจ่ายเยอะเลยนั้นแสดงให้เห็นถึงว่าตัวนี้มันจะปลูกพันุ์เลื่อใหญ่สิเนหาก็ตัดยากที่จะขาดได้ บางครั้งบางคราวแม้จะพระพากจากไปก็ตา ย, ตายไปแล้วก็ยังโหยหาอะไรอยู่ดังนั้นความรู้สึกเหล่านี้จะผูกโยงใจคนเอาไว้จนี่โล ก, ก น, นิ้แสดงถึงสภาพจิตของมนุษย์ไวน้น่ว่ารักกันอยู่ขอฟ้าเขาเขียวเสมออยู่ขอแห่งเดียวร่วมห้องหาพวกที่รักกันเนี่ยมันมันจะมีความผูกพันกันทางใจและยิ่งสมัยปัจจุบันเนี่ยค่าโทรศัพท์คงเยอะนะ อยู่คนละประเทศอยู่คนละเมืองกันนะคะรับโทรศัพท์ทางไกลในี่ยคนเยอะมีอะไรนะฟังใครวันก่อนที่บอกว่าแม่กับลูกหรืออะไรนะโทรศัพท์ทุกวันนะโทรศัพท์กันทุกวันแล้วก็โทรศัพท์ข้ามทวีปกันด้วยคนหนึ่งอยู่สหรัฐอเมริกาคนหนึ่งก็โพรมาอย่าลืมเวลามันต่างกันแะน่แต่ก็อดที่จะโทรไม่ได้นั่นคือสภาพจิตโดยธรรมชาติ และธรรมะแต่ละข้อเนี่ยมันมันมีปัญหาเพราะงั้นเราบอกว่าฐานะคือความที่คนจะเข้าถึงความจริงในกฎของประจัยการที่บอกว่าอวิชาเป็นปัจจัยจึงเกิดสังขารเป็นต้นเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ยากเพราะว่าสัตว์ที่ เริงรมด้วยอ่าไลายยินดีในอ่าลัยแล้วก็ชื่นชมแนวลายเนี่ยเห็นได้ยากหรือว่าจะจะสอนในแนวที่ว่าทาเป็นที่ระ ง, งับสังขารทั้งปวงพูดถึงนิพพานนะฮะว่าที่สะงับระ ง, งับสังขารทั้งปวงคนไม่ค่อยชอบเอนานะิพพาน เห็นไหมเราก็พยายาอธิบายจนนิพพานเป็นอัตตาตัวตนเป็นเมืองแก้วกล่าวแล้วคืออมตะมาาาหานครนรพานเวลานี้แนวธรรมกายมันก็พูดนิพพานเป็นแดนเป็นแดนเป็นโลกเป็นอายตนะนิพพานมีความกว้างยาวเนาะแล้วก็ตัวตนก็ใหญ่ขึ้นมายี่สิบาอะไรแต่ไรเนี่ยแต่เราถึงถึ ง, ถงสุขาวดีพุทธเกษตรของมหายานมันก็พูดในแนวที่มีตัวตนทั่นแสดงถึงว่าสัตว์โลกเนี่ยมันติดอะไร มันก็ต้องการตรวจตนต้องการจะเสวยโดยไม่ได้คิดต่อนะฮะเสวยไปทําอะไรเสวยไปได้อะไรนั่งเสวยสุกอยู่ในเสวยทําอะไรมันได้ประโยชน์อะไรอะ่ะมันไม่ได้ประโยชน์อะไรอะนะ่ะมันก็เหมือนกับความคิดแบบฤาษีกับความคิดแบบพุทธเราเนี่ยเราเห็นว่าความคิดแบบฤาษีก็คือเข้าป่าเจริญฌานบรรลุฌานแล้วก็นั่งเจริญฌานเล่นฌาน ก็จนเท่าจนแก่จนโหนกอกนกกระจอกทำรังไว้เลยแล้วปัญหาว่าท่านได้อะไรขก้นมามเกิดมาชาติดังคนอื่นพึ่งพาอะไรไม่ได้เลยนะเข้าไปหาความสงบกันเป็นการส่วนตัวทีนี้วิธีการของพุทธก็คือจุดหนึ่งเนี่ยต้องไปเสริมพลังในด้านนี้แต่ว่าเสร็จแล้วก็ออกมาเพื่อช่วยเหลือคือกูลแก่คนอื่นให้ได้รับผลตามที่ตนได้รับมา แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคนทุกคนต้องการผลอย่างนั้นนะคือคนที่ต้องการผลอย่างไงก็ให้ได้ผลอย่างนั้นเพราะการที่พูดถึงถึ ง, ถ, งถึงธรรมที่สงบระงับแ่งสังขารทั้งหลายเนี่ยก็หมายถึงนิพพานนะเวลาอธิบายแล้วคนก็ไม่อยากได้อ่ะไม่เห็นสนุกเลยนะเป็นยังไงมีเมืองเป็นยังไงสวยงามเป็นยังไงก็อยากอย่างนั้นนะ่ะเพราะว่าแกคิดโดยพื้นฐาน คิดโดยพื้นฐานที่เคยสัมผัสอยู่ก็ลอ ง, ส, งสังเกตนะว่ามนุษย์เนี่ยเวลาอธิบายสิ่งที่ตนปรารถนานั้นจะไปยึดโยงอยู่กับตัวเองนะเช่นเช่นสมมติว่าอธิบายถึงพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยพระผู้เป็นเจ้าใครก็ไม่เคยเห็นนะเพราะฉะนั้นก็บอกว่าฉายามนุษย์อธิบายด้วยความรู้สึกนึกคิดเนี่ยนึกคิดของมนุษย์นั่นเองเอาไปใส่ในพระผู้เป็นเจ้าครับ แล้วก็ที่บายลักษณะพระผู้เป็นเจ้าก็โกรธ ด, ด้วยริษยาด้วยนะฮะเบียดเบียนด้วยนะแล้วก็ขึงห่วงด้วยอ้ยุ่งยุ่งอุตรุดไปหมดเลยเพราะอะไรเพราะว่าจริงๆนั้นไม่ใช่ไม่ใช่ตัวพระผู้เป็นเจ้าันได้ตัวกิเลสมนุษย์มนุษย์ก็สร้างขึ้นมาจากจินตนาการมันตัวเองดังนั้นแนวตัวเนี้ยไปให้พูดว่ามันสงบจาก สังขารทั้งปวงคือเห็นรูปฟังเสียงดมกลิ่นลิ้มรสแล้วไม่ได้ยินดียินร้ายอะไรเขารู้สึกมันสิงๆนะแต่คนบางพวกเนี่ยก็เอ๊ะทำไมมันก็สิงๆไม่น่าอยู่เลยอย่างนั้นก็เลยไม่ชอบต่อต้านไม่ผ่านนะต่อต้านไมผ่านก็จะไม่ชอบแล้วก็หรือจะอธิบายใหม่ว่าเป็นที่สละคืนอุปธิทั้งปวงเนี่ยอธิบายว่าไอเนี้ยธรรมะเราเนี้มันสละคืนอุปธิทั้งปวง อุปทินี่มันพูดถึงกรรมก็ได้นะฮะก็เรียกว่ากิเลสก็ได้นะกรรมก็ได้ขันก็ได้สัขงขารก็ได้ถ้าสังขารก็เรียกว่าสังขารูปุปทิถ้ากิเลสก็เรียกกิเล ส, สูุปทิถ้ากรรมมากรรมอุปทิถ้าขันก็ขันภูปทิก็หมายความว่าเป็นทุกขสมุารถ่ยนั่นแหละนะเป็นทุกขสมุารถ่ทยทีนี้ตัว ผลที่จะเกิดขึ้นจากการบรรลุนิพพานเนี่ยคือไม่มีพวกนี้ไม่มีสังขารไม่มีกิเลสไม่มีกรรมแล้วก็ไม่มีขันเพราะอะไรเพราะว่าเป็นที่สละคืนอุปทิศทั้งปวงตัวนี้ต้องฟังสังเกตฮนะตัวนี้ก็อธิบายนิพพานในลักษณะเด่นว่าในความเป็นนิพพานนั้นคือไม่มีกิเลส คือไม่มีกิเลสูปัิแล้วก็ไม่มีสังขารคือไม่มีสังขารูปัิไม่มีกรรมคือไม่มีกรร ม, มูปัิไม่มีขันที่รู้สึกว่าเป็นของเราเป็นเราเป็นตัวเป็นตนของเราเลยรู้สึกเป็นตัวเป็นตเนเนี่ยนะฮะจะไม่มีขันระมัดยึดถืออย่างนีน้จึงเรียกว่าขันธูปธัิตัวนิพพานเนี่ยสลัะหมดพวกนี้ไม่มี เพราะถ้ามีอันนี้อยู่สักอย่างก็ถือไม่ใช่นิพพานแล้วพวกนี้ถ้าดับก็ดับหมดนะอย่าลืมว่าถ้าเราแยกเนี่ยฮะเราแยกเราจะเห็นว่าเกิเลสูปัจจินี่เป็นตัวเหตุตัวเหตุตัวมันเองนะฮะเป็นสังขารชนิดหนึ่งก็เรียกกลายเป็นสังขารูปัจจิณีด้วยแล้วก็มันสร้างขึ้นมาให้เป็นกรรมคือการกระทําตัวกรรมเนี่ยเป็นตัวสร้างขัน คือสร้างนามารูปถ้าเราเรียงกลับไปที่ปฏิจจสมบาติเราเจะเห็นว่าตัวกิเลสูปัตที่ก็คือวิชาตัวกัมมู ป, ปัตยก็คือตัวกรรมหรือที่เราเรียกว่าสังขารนะเพราะฉะนั้นสังขารู ป, ปัตย์เราอาจจะเรียกกรรมก็ได้เรียกว่าสังขารก็ได้แต่ว่าสังขารในกรอบมันกว้างกว่าทีนี้ก็กลายเป็นนามรูปนามรูปมันคือตัวขันเตี๋ยขันถู ป, ปัตย์ ก็ไปในยตนาภาษาเวทนาอย่างอย่างอย่างที่เคยอธิบายมาแล้วในปฏิจจสมบัติตรงนี้แสดงถึงการอธิบายนิพพานแล้วเราจะเจอความความหมายของคําว่านิพพานโดยาภาษาต่างๆเพราะนิพพานจริงจริงมาเรียนภาษาใจที่อธิบายไม่ได้มันเหมือนกับหวานอย่างไงมันอย่างไงเค็มอย่างไงเปรี้ยวอย่างไงเนี่ยให้รู้ชัดเจนแล้วคุณต้องกินเองอะ่ะ ใ้คนอื่นอธิบายเนี่ยมันอธิบายไม่ได้เพราะฉะนั้อนอธิบายนิพพานอนธิบายในฐานะความมีนะอนธิบายในฐานะความไม่มีเห็นไหยเช่น ส, สงบเนี่ยอธิบายเรงความมีสันโตสงบปณิโตปณีตนะอันนี้ก็อธิบายในแง่ของความมีหรืออธิบายในแง่ของความไม่มีเช่นทำเป็นที่ระงับสังขารทั้งปวง แลอมความคือไม่มีความยึดมั่นถรือมั่นในสังขารทั้งปวงสังขารทั้งปวงนะี่มันมีแต่ว่าใจของท่านไม่ไปรู้สึกว่าเป็นของเราเป็นเราเป็นตั ว, เ ป, ตวเป็นตนของเราจึงไม่เดือดร้อนไม่เต้นไปตามความเปลี่ยนแปลงของสังขารทั้งหลายเหล่านั้นก็เรียกว่าบัณฑิตไม่แสดงอาการขึ้นขึ้นลงลทั้งในยามประสบความสุขและความทุกข์ที่จริงถ้าเกิดเจอนะฮะเจอ ลาบยศสนันเสริญสุขเสริมลาบเสริมยศนิทานทุกแต่ว่าใจท่านไม่ฟูไ ม, ฟไม่แฟดไปตามโลกธรรมทั้งฝ่ายที่น่าปรารถนาะและไม่น่าปรารถนาเหล่านั้นแล้วก็อธิบายอย่างหนึ่งก็คือสิ้นตัณหาเรียตันหักขโยคือสิ้นตัณหาหมายความว่าตัณหาไม่มีอยู่ภายในใจแต่คนบางคนก็รู้สึกมันเซ็งนะไม่มีตัณหาเนี่ยไม่มีความไม่มีกระปรี้กระปล่าไม่มีความอยากอะไร เพระเจอที่บายธรรมะเหล่านี้ให้ดับตัณหาเนี่ยแกก็ไม่ชอบหรอกเพราะว่าคนส่วนใหญ่มันเป็นตัณหาดาสูคือเป็นทาตุของตัณหามันยมสยบยอมสยบกับตัณหาเหล่านั้นก็มีการ ข, ยขวยคว้าเพื่อตอบสนองความต้องการด้วยแรงผลักดันของตัณหาคนเราก็ไปกำหนดในรูป ตัณหาในรูปตัณหาในเสียงตัณหาในกลิ่นตัณหาในรสตัณหาในเย็นร้อนอ่อนแข็งตัณหาในอารมณ์ทั้งหลายะตัณหาสรุปแล้วก็เกาะกลุ่มเป็นหกกลุ่มใหญ่ๆด้วยกันมันจะเป็นอะไรก็ตามก็คือตัณหาในเรื่องเหล่านั้นนหละและอธิบายถึงสภาพจิตที่มันไม่มีตัณหาเนี่ยพูดยากนะเดี๋ยวคนไม่ชอบเห็นว่าสมมติว่าเราจะให้ของเขากับให้เขา เอาสมมติเราทองมาวางไงเนี่ยเอาทองมาวางข้างหน้าเขาเนี่ยบอกว่าให้คุณคัดจัดความอยากได้ทองแล้วก็เราจะให้ทองเนี่ยถามว่าจะเอาอะไรคนเอาทองหมดนะเขาไม่เอาคัดจัดความอยากได้ทองหรอกแต่ทีนี้ถ้าหากว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยเอาไปกับคนซึ่งซึ่งมีพื้นฐานได้ว่าเป็นบัณฑิต ไม่ใช่ทองหรอล อ, ลองดูตัวอย่างที่พระโพธิสัตว์ตอนที่สเสด็จออกพนวดม่ะตอนนั้นที่จริงก็ยังเป็นสามัญชน น, นนะนะที่พยายามามาบอกว่าสิธธรรทธะจะออกบวชเลยอีกเจ็ดวันเนี่ยท่านก็ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิแล้วครองสมบัติในสากลระพิภพไมหมาสมุดขาคอนทั้งสี่เป็นขอบเขตร่ํารวยอย่างงั้นใหญ่โตยังงั้นยังงั้ น, งง น, นก็รอโดยหมดเลยลาบยศสเสัญ ส, สุข แต่ไม่เอาเลยเพราะอะไรเพราะว่าจริงๆก่อนหน้านั้นพระองค์ก็ทิ้งตําแหน่งทั้งหมดมาแล้วคุ้มทองสี่ชิดเนี่ยจํานวนมหาศาลพระองค์ก็ทิ้งมาเพรา ะ, ะนั้นไอ้ตัวทองเนี่ยไม่ใช่เครื่องกําหนดหมายว่าคนจะอยากได้เสมอไปปัญหามันอยู่ที่ใครแล้วใจเขาคิดยังไงทองเนี่ก็คือทองนั่นแหละแต่ว่าเขาเป็นใครแล้วก็ใจก็คิดยังไงนั่นจะเป็นเรื่องใหญ่ที่สุด นีนี้เมื่อสัตว์โลกมันมีลักษณะดังกล่าวคือเริงรมด้วยอันไลยินดีในอันไลยแล้วก็ชื่นชมในอันัยคือตัวกรรมะคุณเนี่ยตัวทองมันเป็นคุณกรรมะคุณเนี่ยนะแล้วการสิ้นตั่หาในทองเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็ก็จะได้นะให้เลือกร้อยทั้งร้อยนะฮะส่วนใหญ่เขาจะเอาทอง น, นะยิ่งทองมากๆยิ่งดีแต่ถ้าเถามใจดูว่าเท่าไรเรียกว่าพอล่ะ เรียกว่าอิ่มนะเรียกว่าพอมันไม่พออ่ะมันในธรรมเทศน์เนี่ยท่านจึงแสดงว่าโลกคือหมูสัตว์พร่องอยู่เป็นนิดไม่รู้จักอิ่มเป็นท่าแต่งตัณหาพระตปาระท่านท่า น, น, นแสดงให้พระเจ้ากูรปรยะควังเนี่ยเราจะจะจะเห็นว่าจิตใจของมนุษย์เนี่ยมันถมเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักเต็ม ปัญหาว่าทำยังไงทํายังไงจะสามารถบรรเทาบรรเทากระแสตัณหาเหล่านั้นลงไปได้นะฮะแต่พูดสิ้นตัณหาเนี่ยสิ้นตัณหานี่ยแค่เว้งนะฮะแค่เว้งเลยเพราะแนวปฏิบัติเราเราเราจึงหลองสังเกตว่าไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันคล้ายๆกับอาศัยตัณหาเพื่อละตัณหาเหมือนกับรถสูงกันเป็นผลเป็นัลเป็นผลไปกันเรื่อยๆนะฮะจนกว่าจะถึงจุดหมายปลายทาง แล้วช่วงหนึ่งก็อาศัยพอถึงจุดหนึ่งจะขึ้นฝั่งก็ต้องทิ้งหรือว่าต้องต้องเปลี่ยนรถอีกคันหนึ่งก็ต้องทิ้งอีกคันหนึ่งก็ไปกันได้อย่างเงี้ยเป็นลักษณะฟอกอัตยาสัยและวิราโกคืนนนิพานเนี่ยสิ้นความกำหนัดความกำหนัาจะเน้นในเรื่องทางเพศนะฮะ อย่างยกตัวอย่างพระพุทธเจ้าที่นางตนาราคามารตีมาแปลงกายเนรมิตเป็นสาวสวยในวัยต่างๆรูปร่างสทรงสัญญานต่างๆเนี่ยเธอยั่วยวนพร้อมด้วยเพลงขับไร่รําไปด้วยเนี่ยฮะจนเธอเทินเธอบอกบอกตรงๆนะว่าผู้ชายอื่นถ้ถูกพวกเรายั่วยวนอย่างนี้แล้วไม่มาร่วมพิรมยินดีในหัวใจจะแหลกสลายได้เจ้าชายที่ตลาดนั่งอยู่ได้ยังไงแกเลยยอมสยบจอมกลัว ที่ปยามานนั้นบอกว่าเหมือนกับเด็กโง่ๆนะฮะเอาการบัวไปตีภูเขาเกี่ยบมือเปล่าการบัวก็หากเปล่าไม่ได้ประโยชน์อะไรขึ้นมานั้นแสดงให้เห็นถึงเป็นวิรากะคือปราศจากความกำหนัดเอเป็นจุดเด่นอย่างหนึ่งของนิพพานที่เรามากักจะได้ยินว่าวิราโกเศธวะธมานางังวิราคะเป็นยอดแห่งทัพทั้งหลายแล้วก็ เป็นที่ดับสนิทดับตัณหาดับกิเลสดับทุกอย่างสิ้นเชิงแม้แต่อยู่ท่ามกลางกระแสของตัณหาตัณหาก็ไม่มีเชือ้อมันเหมือนกับแมลงวันหยอดไข่บนกระจกกระจกมันไม่มีเชื้อเน้ามันไม่เป็นไ ข, ข่ขางมันไม่เป็นนอน เพจิตใจของคนที่เข้าถึงนิพพานมันก็มีลักษณะอย่างนั้นแต่ตอนนั้นขณะนั้นเนี่ยนะคนที่เป็นอย่างนี้มันมีผลเดียวคือพระพุทธเจ้าตัณเด่งคนอื่นยังไม่ได้สัมผัสมันไม่มีตัวอย่างเพราะงั้นจาการจะสอนให้คนที่ที่มีพื้นจิตเป็นอย่างเนี้ที่เรียกว่าเริงร่มด้วยอะลัยยินดีในอะไรชื่นชมในอะไรเนี่ยแล้วก็นิ่งให้ดับอะไรเนี่ยดับสนิทดับกิเลสดับทุกข์ได้สนิทเนี่ยโอยพูดกับเขายาก เป็นการแสดงถึงธรรมะที่เป็นเหตุแ ล, แ, แล้วก็แสดงถึงผลแล้วก็แสดงถึงผลนะผลให้เราสังเกตมุ่งไปสู่นิพพานหมดเลยผลตรงนี้ตั้งเป้าสูงลิบเลยเป็นพระหมหากรุณาที่ต้องการให้คนเป็นอย่างที่พระองค์เป็นได้อย่างที่พระองค์ได้เนี่ยแสดงให้เห็นถึงความกรุณาและความบริสุทธิ์อย่างแท้จริง เพราะคนเราได้เป็นอะไรแล้วก็ไม่ต้องคนอื่นให้ได้ใ ห, ไดให้เป็นให้มีเหมือนกับเราเหรอกมันเป็นริษยากันแต่พระพุทธเจ้านั้นทรงประกอบด้วยพระมหากุณาคุณที่ยิ่งใหญ่จึงต้องการให้คนได้อย่างที่พระองค์ได้เป็นอย่างที่พระอค์เป็นมีอย่างที่พระองค์มีซึ่งมีได้เฉพระองค์พระพุทธเจ้าเพียงผู้เดียวนะเั้่งฟังเท่าไหร่ ในรบมาโพธิญาณในวันนี้ขอยุติไว้ได้วยเวลาเพียงเทาง่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงองามไปบุญในธรรมจึงมีแด่ท่านทุกฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี